สรุปคือถือศีลดีๆได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งความเชื่อมั่นในตนเองได้ทั้งสติได้ทั้งสวรรค์ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการทำทานดีๆแต่อย่างใดเลยครับอันนิสทรงของศีลไม่ใช่ว่ามีแค่5้าข้อเท่านี้ยังมีผลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาชาติตระกูลสติปัญญาและอื่นๆทั้งหมดที่พระพุทธองค์ตรัสนี้เพื่อให้เห็นอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติภายนอก และสมบัติภายในเท่านั้นเรื่องของเรื่องคือหาคนที่พร้อมบริบูรณ์ทั้งทานและศีลได้ยากบางคนชอบทําทานแต่ไม่ชอบรักษาศีลบางคนชอบรักษาศีลแต่ไม่ชอบทําทานผลเลยออกมาลักลั่นอย่างที่เห็นโดยทั่วไปเช่นบางคนสุดหล่อสุดสวยแต่ยากจนและมีเครื่องยั่วให้เอาตัวไปขายบางคนฐานะดีมีปัญญาครบ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 ว่าค้างหน้าจะยังคงเลิศเลอสมบูรณ์แบบเหมือนที่เห็นอยู่หรือไม่มันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยังให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอไม่คิดในใจอาจคอยส่งพลไหร่ไร่อาจลึกลับแต่เหมือนคง กิดการสั่งพันขางกันไปทำอะไรทำดีหรือแลวคนมันคือกัน